เดี๋ยวเราจะเข้าสู่โปรแกรม free expression นะบายเช็คแอนด์แดนซ์ก็คือนานาจิตตังโดยคำว่าเช็คนี่คือเช็ค up your mind and d a n c e e r i s e นะอันนี้จริงนะเมื่อเช้านี้เราเตรียมตัวเฉยๆอันนี้เข้าโหมด uh, free expression มีสองอย่างคือเช็คแอนด์แดนซ์คือเช็ค up your mind ปลุกให้จิตเราตื่นแล้วก็ danceercise นะ holistic ระหว่างจิตกับกาย ไม่เข้าไปลึกนะเข้าไปออกมาเข้าไปออกมาอันนี้ก็คือมหาสติปัฏฐานนะแต่เราพยายามดีกเลี่ยงพูดเรื่องภาษาศ า, าสนาก็แล้วกันนะตอนนี้เราเข้าค่ายนะฟิตเนสไลฟ์ฟิตเนสนะชีวิตฟิตเนสถ้าฟิตเนสอย่างเดียวแล้วก็ไปติดเรื่องกายภาพเรื่องออกกำลังกายนะคำว่าไลฟ์เนี่ยบวกด้วยกายจิตอารมณ์ เราโฮลิสติกระหว่างกายจิตอารมณ์นะไลฟ์ฟิตเนสฟิตเนสไลฟ์โอเคนะเตรียมตัวนะก็เริ่มเลยนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาหนึ่งชั่วโมงก็ขอจเจริญธรรมนะท่านผู้แสวงธรรมทุกท่านก่อนอื่นก็ขออันโมทนาสาธุบุญกับคุณหมอ นะซึ่งเป็นประธานชมรมนะเสียสละนะเวลาจัดให้พวกเรามีโอกาสได้มาพบกันนะก็พรุ่งนี้เช้าเราจะเริ่มปฏิบัตินะช่วงนี้พ่อครูก็ขอพูดบรรยายให้ทุกท่านเข้าใจว่าคำว่าปฏิบัติธรรมแปลว่าอะไรส่วนมากในสังคมไทยเราเนี่ย โดยเฉพาะ เ, เราไปปฏิบัติธรรมส่วนมากเราก็ไปฝึกสมาธิเจริญสติเราก็ไปจบอยู่ที่แค่สตินะ <pus fit. S 1> ก็ช่วงหลังเราก็เห <erect us. S 1> ็น yep. ครูบาอาจารย์ที่ทา่านบวชมาสามสิบกว่าสี่บปันศาแล้วท่านเจริญสติแล้วสุดท้ายท่านก็ออกไปแต่งงาน <S <S ไม่ใช่เจริญสติไม่ดีแต่มันไม่ใช่เป้าหมายสูงสุด การปฏิบัติธรรมเนี่ยคือการเจริญมรรคผลนิพพานแต่การเจริญมรรคต้องใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาอินทรีย์พล ะ, ระนะที่เรามีอยู่ทั้งหมดเป็นเครื่องมือเดินทางแต่ตอนนี้ไอความคิดแบบแยกส่วนแบบวิชาการยุคนี้นะเราไปเอาทีละส่วนทีละส่วนทีละขั้นนะมันไม่ใช่เรื่องจิตวิญญาณมันเป็นเรื่องวิชาการ นะการเจริญมรรคเนี่ยนะแล้วมรรคของแต่ละท่านต้องไม่เหมือนกันทางสายกลางของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันไม่ใช่เอาวิชาเดียวสูตรเดียวกันเนี่ยยัดเยียดให้ทุกคนเป็นหุ่นยนต์เหมือนกันอันนั้นเป็นแค่ลทัทธินิกายเพราะครูใช้คำว่าเสียดายเพราครูมัดปลายชีวิตใช้ชีวิตอยู่ที่เอเมริกานะ หลังจากมันเกิดการเปลี่ยนแปลงสามชั่วโมงนั้นพว ก, กูก็ถอยมาจากเมืองนอกไปอยู่ในป่านั้นไม่ใช่ไม่ใช่บ้า น, นอกนะครับศูนย์ตอนนั้นน่ะเป็นป่าไม่มีถนนเข้าไปพว ก, กูนั่งเรือข้ามเขือนซีรินทรไปเราอยู่แบบไม่มีไฟฟ้าอยู่สิบอดปีสงบเย็นนะแล้วพอไฟฟ้าก็ไปถนนเข้าไปความวุ่นวายก็เริ่มเข้าไปแล้วนะแต่เราต้องยอมรับความเป็นจริง พ่อคูคิดว่าพ่อคูอยู่ในประเทศที่ถือว่าเจริญที่สุดในโลกแห่งหนึ่งคืออเมริกาพวกครูถอยมาหนีวัตถุนิยมตรงนั้นไปอยู่ในชายแดนไทยลาวตรงนั้นคิดว่าในชีวิตนี้นี่ความเจริญคงไปไล่พ่อกูไม่ทันแล้วก็ปีที่แล้วเองเนี่ยสิ้นปีที่แล้วเนี่ยเขาประกาศเปิดอาเซียน ไอ้ตรงนั้นเลยกลายเป็นประตูสู่อาเซียนเราก็เห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราหนีมันไม่พน้นนะจริงๆแล้วสองปีที่ผ่านมาพ่อครูไม่ออกไปข้างนอกย0ปีอยู่เฉยๆพอถึงเวลาก็ออกไปบรรยายหปีทำหน้าที่แล้วก็กาเรมิรก็ขอร้องพ่อครูออกหนังสือสามชั่วโมงมรรลุธรรมนะก็ทำหน้าที่ระดับหนึ่งทีนี้ ช่วงสองปีสามปีที่แล้วก็เห็นความวุ่นวายเกิดขึ้นในสังคมขัดแยง้งเล่นกีฬาสีกันนะคนไทยด้วยกันคุยกันไม่รู้เรื่องนะพวกครูถอยมาแล้วพวกครูต้องไปเป็นส่วนหนึ่งของการขัดแยง้งเราจะเข้าข้างใครก็ไม่ได้แต่ถามว่าเราลักชาติไหมสานึกมันต้องมีที่พวกครูเลือกประเทศไทยพวกครูกลับมาที่นี่ คือพวกคูหยุดหาเงินหยุกต่อสู้แล้วพว่อคูอยู่ในประเทศไหนก็ได้เสพสุขอย่างเดียวก็ได้แต่จิตมันเลือกกลับมาบ้านเกิดเมืองนอนเราคือจิตดวงนี้เนี่ยเขาไม่ต้องการเป็นหนี้สินอะไรอีกแล้วนะเขามีหนี้อยู่สองอย่างก็คือแผ่นดินเกิดแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่ยิ่งใหญ่ทำให้พ่อคูพ้นทุกได้ก็27ปีผ่านไปนะ พวกกูหยุดไปสองสามปีทีนี้เขาไปเปิดอาเซียนไหนๆก็มาแล้วพวกกูก็เลยออกมาใหม่นะก็มาทำหน้าที่แต่ตอนนี้ก็ขอออกตัวก่อนว่าดีแล้วลดแต่งชุดแบบไหนก็ได้นะไม่เรียกว่าปฏิบัติธรรมก็ได้เพื่อป้องกันการขัดแย้งโดยเฉพาะสังคมไทยเป็นประเทศเล็กๆนะเหมือนถูกคุมอยู่ นะต้องอยู่ในล่องในลอยในกรอบนะถ้ามีอะไรใหม่ใหม่แปลกๆปุ๊บเนี่ยก็ตั้งข้อกังขาตั้งข้อหาทันทีนะแต่พวกคุณไม่มีอะไรจะเสียนะเรามีเวลาวันหนึ่งเราก็ทำวันหนึ่งทำเพื่อให้เราไม่ได้หวังอะไรทั้งนั้น ทีนี้ก็อายุมากแล้ว67ปีนะก็จะนั่งรออะไรอันนี้ก็เป็นครั้งแรกในสองสามปีที่ออกมานะก็แปลกเองนั่นแหละออกไปไหนออกมาเชียงใหม่ตอนกลับมาจากอเมริกาเนี่ยพวกกูเคยมาอยู่บ้านหมู่บ้านลิมเบียงที่ใกล้ๆสนามบินช่วงหนึ่งนะ แล้วก็กลับไปที่จังหวัดอุบล20ปีไม่ออกมาเลยแล้วก็พอออกมาปุ๊บก็มาเชียงใหม่ครั้งแรกทางรีสอร์ทแห่งหนึ่งที่แม่ริมเยเชิญพระคูมาอบลมก็มาครั้งนี้มีการเปลี่ยนแปลงใหม่นะก็คือว่าพระครูพยายามจะใช้ภาษาก่างๆเป็นสากลพ่คูเป็นชาวพุทธตั้งแต่กำเนิด นะพุทธะอยู่ข้างในแต่ตอนนี้ยุคนี้ทั้งโลกกำลังเกิดสงครามศาสนานะมันแรงขึ้นทุกวันแล้วในบ้านเมืองเราเองไม่ว่าทางสังคมการเมืองมีกีฬาสีกันไม่พอตอนนี้ลามไปถึงขณนาสงฆ์ซึ่งคนไทยไม่เคยเกิดทะเลาะ ก, กันแบบนี้ แต่มันเกิดแล้วมันถึงเวลาเพราะว่าความคิดแบบทุนนิยมแข่งขันเสรีเนี่ยความแข่งการแข่งขันนี่คือจุดเริ่มต้นของความแตกแยกทุกคนก็เกิดวิตกจริตกลัวว่าจะแพ้กลัวว่าจะเสียเปรียบอุณภูมิของความอยากมันมากขึ้นนะจนคุยกันไม่รู้เรื่องก็ใช้คำว่าเสียดายเราเกิดมาเป็นคนไทย มาเจอคําสอนที่วิเศษอย่างยิ่งซึ่งสามารถทำให้พวกกูพ้นทุกได้แต่ที่ผ่านมาเนื่องจากการศึกษาเรียนรู้เนี่ยเราแยกขแขนงวิชาซอยเป็นเล็กๆมากใหม่ใช่ไหมไปไปเรียนกอไก่ขอไข่ A B C นะทุกคนเรียนไปตามสเต็ปนั้นและเราก็เอาความคิดแบบนั้นเนี่ยมาฝึกจิตด้วยซึ่งจิตวิ ญ, ญญาณไม่ใช่แบบนั้น เราฝึกมาหลายชาติแล้วแต่เราคนสะสมบรารมีมาไม่เท่ากันนะอย่าไปถามว่าปฏิบัติมากี่ปีได้ฌานเท่าไหร่ต้องถามว่าปฏิบัติมากี่ชาติเราต้องไปเอาของเก่าตรง น, นั้นมาต่อ ย, ยอดเราฝึกจิตแบบวิชาการแบบแยกแขนงทีละขั้น พ่อครูบอกว่าตายก่อนกระแสกรรมมันแรงมากกิเลสมันขี่จรวดถ้าทุกวันนี้เรามีศึกสงครามกับประเทศข้างๆเราเนี่ยเราสามารถขี่คอช้างถือเงี้ยวถือเงาฟันดาบไปเหมือนสมัยโบราณได้หรือเปล่ามันไม่ได้แล้วพระพุทธองค์จึงเตือนเราว่าให้รู้เท่าทัน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 นี่คือธรรมะแต่ตอนนี้ธรรมะกลายเป็นวิชาการเป็นตัวหนังสือเราก็เอาตัวหนังสือนั้นเอาภาษานั้นมาตั้งโจทย์แล้วมานั่งเถียงกันว่าคนหนึ่งบอกว่านี่พานเป็นอัตตาคนหนึ่งบอกนิพานเป็นอนัตตาคนหนึ่งบอกเดียวซ้ายคนหนึ่งบอกเดียวขวาเป็นยุคที่ตกต่าที่สุดทางปัญญามีแค่องค์ความรู้ทางวิชาการเรื่องจิตวิญญาณไม่ใช่อย่างนั้น ถ้าจิตวิญญาณต้องปฏิบัติทีละขั้นทีละขั้นแบบนั้นนะ่ะนะเนรบัณฑิตเจ็ดขวบบวชแค่แปดวันเป็นพระอรหันต์ไม่ได้นางวิสาขาเจ็ดขวบบรรลุโสดาบันไม่ได้พระหิยะเป็นพ่อค้าไม่รู้เรื่องศาสนาเลยฟังธรรมผู้เจ้าแค่หนึ่งครั้งไม่ถึงสามมาธีบรรลุเป็นอรหันต์ไม่ได้เรามองอะไรบงมองเรื่องชาติเดียว อที่เราฝึกมาหลายๆายชาติมันไม่หายไปไหนถ้ามันหายไปตอนนี้ชาตินี้เรามาฝึกฝึกฝ ก, กึกพอเราตายปุ๊บเผาปุ๊บหมดชาติหน้าเกิดมานับหนึ่งใหม่ถ้าอย่างนั้นน่ะไม่มีใครที่จะพ้นทุกได้นะครูบาอาจารย์ท่านก็บอกอยู่แล้วว่ากายในกาย เวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมต้องเข้าไปในจิตในจิตถึงจะเสพธรรมในธรรมธรรมในธรรมนั่นคือธรรมอารมเป็นอารมณ์ที่อดีตเราบันทึกในจิตใต้สํานึกเราเรียกว่าสัญญาทั้งฝ่ายบวกฝ่ายลบนั่นคือกล่องปัญญาอันนี้เราไม่เข้าไปเร า, เาจิตมาฝึกสมาธิจเจริญสติอยู่ในฐานกายสมมติว่าขวาซ้ายนะแม้กระทั่งพุทโธ ไม่ได้ผิดนะเพราะครูยกตัวอย่างให้ฟังว่าคำว่าพุทธโธเนี่ยหลวงปู่มั่นทางภาคอีสานของพระครูเนี่ยนะเป็นคนตั้งทฤษฎีนี้ขึ้นมาลมหายใจเขาเรียกว่าพุทธเข้าออกออกเรียกว่าโทซึ่งในพระไตรปิฎกก็ไม่ได้มีคำว่าพุทธโธหรือยุบหนอพองหนอแต่ไม่ใช่เรื่องผิดมันเป็นอุบายวิธีที่ให้มันจาง่าย แต่อะไรที่เราคุ้นเคยแล้วเราก็ยอมรับแล้วเราก็คิดว่าเออต้องอย่างนี้อย่างอื่นไม่ใช่คนจีนเขาพูดคำว่าซื้เจียนฉังจิวเปี้ยนชื่ อ, อยานหมายถึงว่าเวลามันผ่านไปเนิ่นนานกลายเป็นธรรมชาติของเราถ้าไปเจออะไรแปล ก, ก, กใหม่ๆแล้วก็ต้านเลยทันทีนี่คือกิเลสทีนี้ ลมหายใจเข้าออกก็ดีเรียกว่าอาณาปานสติก็ได้ลมหายใจไม่ใช่กายด้วยนะเนี่ยกายในกายเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมลมหายใจไม่เกี่ยวกับกายเราแต่ลมหายใจเนี่ยเป็นสิ่งที่ร่างกายเนี่ยต้องอาศัยเขาสำคัญกว่าปัจจัยสี่เสียอีกถ้าเราหายใจเข้ามันไม่ออกเราก็ตายแล้วถ้าหายใจออกมันไม่เข้าก็ตายแล้วชีวิตเรามีอยู่แค่นี้ ชีวิตเราไม่อยู่แค่นี้นะทีนี้เราก็เอาลมหายใจที่เป็นสิ่งที่ใกล้ชิดชีวิตเรามากที่สุดเนี่ยเป็นเครื่องมือในการฝึกส ม, มะถะ h กรรมาฐานเบื้องต้นหรือเจริญสตินะไม่ใช่เรื่องผิดรวบรวมจิตเรามาอยู่ตรงนี้เนี่ยให้มันเกิดพลังแต่ทีนี้ไม่ใช่อยู่แค่นั้นเราต้องพัฒนาตรงนั้นน่ะคือลมหายใจเข้าออกเนี่ยเป็นอนาณา เป็นอากาศเราต้องพัฒนาอาณาให้มันกลายเป็นปรานะขึ้นมาเป็นปลานถ้ามันเกิดลมปานแล้วเนี่ยอย่างคนจีนเ็าฝึกชี้กงฝึกไทเก็กเนี่ยเพื่อมันเปิดลมปานฝึกแบบไหนก็ช่างเคร่ให้มันเกิดลมปานนะื่อมันเกิดลมปรานแล้วเนี่ยเรียกว่าอาณาปานะสติครบองค์แต่ถ้าเราพ่อใจพอใจแค่นั้นเราก็ได้เจริญอ น, อนุสติก็เจริญสติเล็ก ก็ได้สติแต่เราเข้าถึงกล่องปัญญาไม่ได้เราต้องเร่งสติหมุนกงล้อของธรรมจักนี่คือธรรมจักกับปวนสูตรเป็นสูตรแรกที่ผู้เจ้าทรงมาแสดงและพระัญญากลทัญญะได้บรรลุธรรมคือพระ อ, องค์เทศเข้าไปกระทุงเนี่ยเมื่อจิตมันอิสระจากใจมันหมุนขึ้นมาแรงเนี่ยเนี่ยพระ อ, องค์เข็นธรรมจักแล้ว เราเห็นทำด้วยธรรมจักสุคือจักสุภายในไม่ใช่ตาเนื้อข้างนอกเราต้องเร่งสติหมุนกงล้อของธรรมาจักทำให้จิตเรามันเกิดพลังหมุนทำไมต้องหมุนโลกหมุนรอบตัวเองหมุนรอบดวงอาทิตย์เพราะว่าพลังของโลกนี่ยสู้แรงดึงดูดของดวงอาทิตย์ไม่ได้พลังงานทุกอย่างต้องหมุนเหมือนเฮลิคอปเตอร์เนี่ย เราสตาร์ทเครื่องหมุนใหม่ๆเนี่ยมันห่อไม่ได้นะถ้ามันหมุนไม่เร็วถ้าเราเร่งสปีดมันเร็วปุ๊บเนี่ยเมื่อแรงเบี่ยงมันมากกว่าแรงดึงดูดของโลกมันจะอุ้มไอ้ก้อนเหล็กเป็นพันกิโลห่ะขึ้นมาได้หรือเราเฟี่ยงจานนี้ขึ้นไปเนี่ยเราเฟี้ยงจานไปบนอากาศเนี่ยถ้ามันยังเวี่ยงมันยังหมุนอยู่เนี่ยมันจะไม่ตกถ้ามันหยุดเหบี่ยงเมื่อไหร่ปุ๊บมันจะตกลงมา ชั้นใดก็ชั้นนั้นคำว่าอาณาปณะสติสูตรเนี่ยก็คือต้องช่วยสร้างแรงเวียงให้กับจิตมันหมุนถ้าตอนนั้นจิตมันหมุนพลังมันมากกว่าแรงดึงดูดของใจแล้วเนี่ยหรือกับความคิดแล้วเนี่ยมันจะเข้าไปสู่จิตในจิตพ่อครูบอกขอครั้งเดียวและทุกท่านที่นั่งที่นี่ถ้าไม่ถอยก่อน ภายในห้าวันนี้ทุกคนเข้าไปในจิตได้ที่ไปฝึกสติบางทีส40ี่ปีก็เข้าไปตรงนี้ไม่ได้เพราะมัวแต่อยู่ข้างนอกเจริญสติเพราะเขาไม่เข้าไปนั่นคือเจริญอนุสตินะการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เจริญสติไม่ใช่ฝึกสมาธิการปฏิบัติธรรมคือการเจริญมรรคผลนิพพานส่วนการเจริญมรรคก็ต้องใช้สมาธิสติ ปัญญาความเพียรดูวพวกนี้คือแข้อนะทีนี้ช่วงการเจริญมรรคนี่ต้องใช้เครื่องมือเนี่ยประการไม่ใช่แค่สติกับสมาธิเรียกว่าโพธิปักขียธรรม37ประการเริ่มจากเราต้องใช้สติปฐานสคือกายเวทนาจิตธรรมเทวดาทำไม่ได้เพราะไม่มีกายไม่มีกาย ไม่เกิดเวทนาเวทนาเกิดขึ้นที่ใจใจนี่คืออายตนะเป็นส่วนหนึ่งของกายคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเวทนาเกิดขึ้นที่ใจเทวดาทำไม่ได้เพราะไม่มีกายไม่มีใจนะเราต้องใช้สติปทานสแล้วก็อิทธิบาทสสัมมัติปทานสอินรีห้าพระห้าโพชงเจ็ด มักมีองค์แปดรวมกันแล้วเนี่ยประการไม่ใช่ไปอยู่แค่สมาธิสติที่ผ่านมาเป็นแยกซอยเป็นเรียนทีละขั้นทีละขั้นกำลังมันไม่พอสามชั่วโมงที่เกิดกขึ้นพ่อครูเนี่ยตอนนั้นเที่ยงขื้นติ้งตีสามนั่นพ่อครูเห็นขบวนการทำงานของเขาหมดเลยบุญเยอะจริงๆบุญเยอะจริงๆเนี่ยที่ไม่รู้เรื่องศาสนาเลย เกิดมาปุ๊บเป็นเบบีคุณพ่อคุณแม่ที่รักเรามากที่สุดก็ตั้งชื่อให้เราชื่อบัญชานะลูกแถมศาสนามาด้วยนะพ่อแม่บอกว่าพุทธดีนะเอาเอ า, เอาลูกพุทธเลยโดยที่เราไม่รู้มันคืออะไรแล้วก็ส่งเราไปเรียนวิชาสร้างอนาคตเราไม่เคยรู้เลยว่าเราเป็นใครเลยนเก่งๆนะลูก หาเงินเยอะๆเมื่อรวยแล้วจะมีความสุขซื่อสัตย์มากแล้วต่อสู้จนมันรวยจริงๆแต่พ่อคกูหาความสุขไม่เจอมันมีแต่ความสะใจความพึงพอใจความสะดวกสบายเท่านั้นเองมันไม่ใช่ความสุขจริง ๆ, จงๆเจอแต่ความเบื่อหน่ายเราคิดนอกกรอบไม่ได้เราคิดตามภาษาไทย และเป็นภาษาทุนนิยมวัตถุนิยมแข่งขันเสรีเราคิดนอกกรอบไม่ได้แม้กระทั่งไม่รู้ว่าเราเป็นใครนั่นแหละ4ี่สิปีเพราะกูวิ่งไปตามตัวนั้นไปเห็นทุกที่อเมริกาไม่เห็นทุกไม่เห็นธรรมเราไปเห็นทุกที่มันทุกเพราะว่าเราเบื่อโดยเราไม่รู้เหตุผลว่าทำไมเบื่อถ้าเรารู้เราก็แก้ได้เราเป็นนักแก้ปัญหาอยู่แล้ว ธุรกิจที่เราทํเนี่ยแน่นอนถ้ามันไม่มีปัญหาเราก็ไม่มีงานทำแต่ไม่ใช่ปัญหาเรามีความสุขกับการแก้ปัญหานั้นมันไม่ได้ทำให้เราเบื่อแต่ที่เราเบื่อนั้นเราไม่รู้ว่าอะไรมันคือความสุขที่แท้จริงอะไรคือคำตอบของชีวิตคิดปุ๊บไอภาษาบอกว่าก็ไปเที่ยวสิทำไมโง่งจังเลยเบื่อทำไมยังไม่ไปก็รู้อยู่แล้วว่าจะไปทาอะไรเพราะทามาหมดแล้ว เจ็ดแปดปีที่หาคำตอบแล้วอะไรล่ะมันคิดไม่ได้มันคิดตามภาษาพอสามชั่วโมงนั้นมันเกิดอาการระเบิดเจอแล้วสะอาดสว่างสงบสะอาดได้สงบเจอแล้วพรอกูเปลี่ยนชีวิตทันทีสูบบุหรี่ไม่ได้กินเหล้าไม่ได้ ตีกอฟไม่มีความรู้สึกจากปิตีตอนนั้นยิงนกตกปลาทําหมดมันหยุดทันทีเลย4ี่ปีเพิ่งไปตามโลกศีลห้าบอกไม่ให้ทําไรทําหมดย7ิยี่บเจปีถอยมาอยู่ในป่านั้นน่ะไม่ต้องถือศีลเพราะครูเวียงทิ้งหมดแล้วมันหนักแต่ไม่ทําชั่วแน่นอนเพราะครูถึงเห็นสัจธรรมข้อหนึ่งว่าศีลคือความปกติของจิต เมื่อจิตมันปกติมันไม่มีความทยานอยากแล้วเนี่ยเหมือนน้ำมันนิ่งเนี่ยเห็นไหมฝุ่นละอองเม็ดึร่วงลงมามันก็สัมผัสได้ใบไม้ร่วงลงมาก็สัมผัสได้นะเมื่อมันระเบิดกล่องดำที่มันบันทึกสัญญาต่างๆมันไม่มีความอยากแล้วนี่แม้กระทั่งคิดมันก็ไม่ต้องคิดทุกคนถูกสอนให้เป็นนักคิดผู้ยิ่งใหญ่คิดทุกเรื่อง เพราะถูกสอนถ้าคิดไม่เป็นเนี่คนโง่คนคิดไม่เป็นตอนนี้กลายเป็นคนคิดเก่งแต่27ปีของพ่อครูนี่ไม่ต้องคิดเลยเพราะมันไม่มีอนาคตไม่มีความอยากมนที่เราคิดเพราะเรามีความมีอนาคตดอกคิดวางแผนเมื่อมันไม่มีความอยากแล้วมันก็ไม่ต้องคิดมันก็เลยไม่ต้องปวดหัวจาก40ปีนี่อยากได้เงินก็เงินเยอะแล้วมีของแถมไม่ด้วยเป็นไมเกรนความเครียดลงกระเพาะ เราก็แก้ด้วยเอาอยาแล้วครับไม่ให้มันปวดไม่ใช่มันหยุดปวดนะมันไม่รู้สึกปวดเท่านั้นเองแล้วมันก็ส ะ, สะสมเป็นโรคภัยอย่างอื่นเนี่ยมาเลงมาจากตรงนี้ความเครียดเนี่ยทำให้ภูมิคุ้ม ก, กันโรคโดยธรรมชาติเราเนี่ยทำงานไม่เต็มร้อยเหมือนรถยนต์เนี่ยถ้าเราไม่ไปยกเครื่องอ เปลี่ยนน้ำมันเครื่องหรือหรือไส่กองน้ำมันไส่กองอากาศไม่ทำความสะอาดนะเดี๋ยวน้ำมันมันฉู่ฉีดสำลักขึ้นมาแหวนลูกสูบพังหมดมนุษย์เราก็เช่นเดียวกันเพราะความเครียดเกิดจากเราคิดมีนักปราชญ์ชาวฝรั่งเศสเขาเคยพูดไว้แล้วคำนี้ทั่วโลกก็ยอมรับนะแล้วเราแก้แก้ปัญหาเขาบอก I think therefore I am ฉันคิด ฉันจึงมีตัวตนเราเลยแก้ปัญหายัางไงไหมเราก็เลยแก้ปัญหามาคิดบวกมาเพิ่มความคิดอีกเพราะอยากได้อยากชนะเพิ่มอาหารให้กิเลสเราไอ้คนข้างนอกอะ่ะที่เขาต่อสู้อยู่เป็นจิตวิทยาเนี่ยเขาไปสอนอย่างนั้นก็เป็นสิทธิของเขาแต่ถ้าคนในศาสนาไปส่งเสริมเขาแบบนั้นะ่ะพรกครูไม่เห็นด้วย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 กิเลสทำให้เกิดตัณหาตัณหาทําให้เกิดอุปทานอุปทานทําให้เกิดทุกข์มันไม่ใช่ทางพ้นทุกข์มันเป็นทางเพิ่มทุกข์เมื่อมันได้มาก็รู้สึกอุปทานเกิดรู้สึกพอใจดีใจมีความสุขพอเขาแย่งไปแล้วก็เลยทุกข์ใจมันไม่ใช่สุขแท้มันเป็นสุขสุขดิบดิบ แต่ถ้าเรากำจัดต้นเหตุของมันคือตัวอัตตาเราแล้วเนี่ยนะอันนั้นที่บอกว่านิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเป็นสุขซึ่งอะไรเปลี่ยนแปลงไม่ได้อีกแล้วนั่นคือปลอดภัยและทุกท่านที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยทุกคนมีสิทธิกว่าจะเกิดเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐเนี่ยนะ ไม่ดูเรียงแถวกันเนี่ยถ้าทุกคนมีตาทิพย์นี่จะนั่งน่ข้างตัวเราเต็มไปหมดเลยเทวดาก็รอเกิดมาแทนเราไม่ใช่ถูกสอนว่าทำบุญทําบุญขึ้นสวรรค์ไปเป็นเทวดานะสำหรับพวกครูแล้วเนี่ยขอร้องไม่จำเป็นอย่าขึ้นไปเลยเราเสียเวลาอยู่ในบนนั้นนะ่ะหลายรอบแล้วสวรรคสมบัติมนุษยสมบัตินรกสมบัติยังอยู่ในวตาสงสารไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ เราเกิดมาเป็นมนุษย์เพื่อบำเพ็ญเพียรเข้าไปสู่อริยะสมบัติชีวิตนี้ขั้นต่ำสุดให้เข้าสู่กระแสมรรคคือโสดาปฏิมรรคขึ้นไปต้องได้วิซาตรงนี้ก่อนเพื่อความปลอดภัยนะไม่มีนรกอีกแล้วแต่ใครรู้ล่ะว่าจิตเดิมเราฝึกมาแค่ไหน บางทีระเบิดทีเดียวนี่จบเลยเป็นผ้าลหันบางคนระเบิดทีเดียวเป็นสกิทาคามีเป็นพระอนาคามีใครรู้จิตเรารู้มันไม่ใช่สูตรชัดเร็จว่าต้องเป็นทีละขั้นแบบนั้นแบบนี้มันไม่ใช่วิชาสอ น, นศูนย์พลานข่อยนั้ น, น27ปีพ่อครูไม่บางอาจกล้าสอนอะไรเลยนะเรื่องจิตวิญญาณมันไม่ใช่วิชาสอ น, นมีแต่ว่า ถ่ายทอดประสบการณ์ทางโลกและทางธรรมเนี่ยนะแบ่งปันแล้วส่วนใครจะเลือกใช้อย่างไรเนี่ยทุกคนต้องหาเทคนิคของตัวเองนานาจิตตังลูกฝาแฝดเกิดมาพร้อมกันคำว่าลูกฝาแฝดไม่ต้องอธิบายใช่ไหมพ่อแม่เดียวกัน DNA เหมือนกันเลยแต่คนหนึ่งขี้แย่คนหนึ่งไม่ขี้แยคนนึ่งไอคิวสูงคนหนึ่งไอคนนิวต่า คนหนึ่งเกิดมาครบ3 2มบประการคนหนึ่งไม่ครบวิทยาศาสตร์ตอบสิว่าทำไมวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เรื่องเสียหายขบวนการวิทยาศาสตร์ก็ไม่ต้องเชื่ออะไรง่ายๆถูกแล้วแต่ที่มันเสียหายอย่างยิ่งในยุคเราเนี่ยเพราะว่าเราเอาไปค้นคว้าวิจัยแต่เรื่องรูปธรรมเราปฏิเสธนามธรรมาอะไรที่มันช่างตวงวัดไม่ได้เราไม่เอาทุกท่านถามตัวเองว่า ชีวิตนี้เราเคยรู้สึกดีใจไหมเคยรู้สึกเสียใจไหมเคยรู้สึกกลัวไหมเคยรู้สึกกังวลไหมเคยรู้สึกสุขไหมรู้สึกทุกข์ไหมไอความรู้สึกนี้นี่มันคืออะไรมันคือนามธรรมาแต่มันมีอยู่จริงแล้วทำไมวิทยาศาสตร์เราปฏิเสธสิ่งนี้วิทยาศาสตร์การแพทย์จึงแก้ปัญหามนุษย์ได้แค่ครึ่งเดียวปวดหัวก็กินยาพารา เมื่อลิตยามันหมดถ้าเราไม่เลิกคิดเราก็ปวดอีกเราสร้างมโนกรรมพวอครูเจอมาแล้วไม่เกรนอย่างหนักพอมันระเบิดปุ๊บ2ี่ปีไม่ต้องกินยาแก้ปวดเลยแม้แต่หนึ่งเม็ดเพราะว่ามันไม่ได้สร้างมโนกรรมมันไม่ได้คิดอีกเลยมันแก้ที่ต้นเหตุของมันทุกวันนี้เรามาแก้ปลายเหตุ โอ้ยทุกข์ปวดหัวแล้วก็ดับทุกดับที่ปลายเหตุมันก็ดับชั่วคราวแล้วถ้าดับแบบนี้นานๆนานๆไอ้ยาที่เราบริโภคก็เกิดการสารตกค้างโรคภัยไข้เจ็บอย่างอื่นก็ตามมานะแต่ไม่ใช่กระบวนการวิทยาศาสตร์ไม่ดีนะเก่งมากยุคนี้เก่งมากแต่ใช้คําว่าเสียดายคุณไปทําเรื่องแค่ครึ่งเดียวแต่ในทาง ศาสนาทุกศาสดาทุ ก, ทกๆศาสนาเนี่ยสอนเรื่องจิตวิญญาณหมดโดยเฉพาะแนวพุทธของพระเจ้าเจ้าเนี่ยท่านสอนเรื่องกายเวทนาจิตธรรมสอนเรื่องรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีห้านิ้วนะแยกเป็นอย่างนี้นิโป่งอันหนึ่งน่ะนิป้งนี่คือรูปกายประกอบด้วยดินน้ำลมไฟ ส่วนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเนนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางเนี่ยอันนี้คืออารมณ์คือที่เรียกว่าเจตสิกส่วนนิ้วก้อยเนี่ยคือวิญญาณก็คือจิตชีวิตเราประกอบด้วยสามอย่างนี้ทีนี้วิทยาศาสตร์เอาอย่างเดียวปฏิเสธอีกสองอย่างเราจึงแก้ปัญหาชีวิตเราไม่ได้อย่างเบเ็ดเสร็จ อยากมีทุกในยี่ก็มีแล้วไงเก่งมากเลยเห็นไหมเมื่อเช้าพกูห่ อ, อมาจากกรุงเทพใช้เวลาชั่วโมงหนึ่งเราห่อเหินเดินอากาศได้เห็นหฟังโทรศัพท์คุยกับปารีสคุยกับฝรั่งเศสนะดูภาพยนตร์โตเกียวเราหูทิบตาทิพแต่เราก็ยังทุกอยู่ยังเครียดอยู่มันไม่ช่วยเราพ้นทุกนะพกูถึงบอกว่า พวกเราบุญเยอะมากที่เกิดมาเป็นมนุษย์ผู้ะเสริฐแล้วก็มาเจอคำสอนที่ยิ่งใหญ่เพียงแต่ว่าระบบชีวิตเราถูกทุนนิยมแข่งขันเสรี จ, จัดตั้งโดยที่เราไม่มีเวลาว่างเท่าไหร่40ปีพวกครูก็ไม่เคยว่างมีแตห่หาเงินหาเงินเปิดสาขาเท่าไหร่ยิ่งแบ่งโซนความคิดออกไปยิ่งไม่มีเวลาว่าง เรารวยเงินแต่เราจนชีวิตมีบางคนที่อยู่ที่ศูนย์อุบัติเหตุามารายงานพระครูลุงแดงตายเมื่อคืนนี่เออลุงแดงอายุเท่าไหร่อายุ80สบทางนี้บอกลุงดาก็ตายอายุเท่าไหร่อายุ90บอายุคืออะไรอายุคือเวลาใครมีเวลาให้กับตัวเองมากที่สุดคนนั้นรวยชีวิตที่สุดชีวิตคือเวลาแต่ตอนนี้เรารวยเงินแต่เราจนชีวิตไม่มีเวลาให้กับตัวเอง ไม่มีเวลาทําความดีไม่มีเวลามาสร้างอริยทรัพย์ให้กับตัวเองมีแต่เวลาไปแก้ปัญหาของนอกกายแต่ยี่บเจ็ดปีพ่อครูเนี่ยก็ไม่มีเวลาเหมือนกันไม่มีเงื่อนไขเวลาพ่อครูอิสระจากเวลาพวกเราทุกกับเวลาให้ตื่นกี่โมงทันหรือเปล่าเสร็จเมื่อไหร่มนุษย์เราเนี่ยพ่อพัฒนา เรื่องเทคโนโลยีเหล่านี้มาเริ่มจากยุคหนึ่งมีคนหนึ่งค้นพบนาฬิกาสร้างนาฬิกาขึ้นมาเนี่ยจากวันนั้นถึงวันนี้มนุษย์เราก็เลยเป็นถ้าเรียกว่าทาตมันอาจจะแรงแต่จริงๆเอาสู้ความจริงดีกว่าแล้วก็อยู่ภายใต้เงื่อนไขของเวลาเราไม่อิสระเราถูกกอบของเวลาเนี่ยครอบไว้เราเป็นทาตเวลา แล้วมียุคหนึ่งคนหนึ่งเขาก็เก่งมากเขาค้นพบระบบเงินระบบเงินเป็นตัวกลางแลกเปลี่ยนสินค้าจากวันนั้นมาถึงวันนี้เราก็เลยเป็นทาสของเงินอีกเพราะเราเห็นโอ้โหมันมีอิทธิพลมากเลยชีวิตเราก็ไม่อิสระแต่หลังจากเหตุการณ์วันนั้นสามชั่วโมงกับพ่อครูแล้วเนี่ยพ่อครู หลุดพ้นจากบ่วงเหล่านี้ทั้งหมดตอนที่อยู่อเมริกาเงินเยอะๆไม่รู้สึกมั่นคงเลยเหมือนเราสร้างตึกขึ้นมาสิบชั้นเหนื่อยมากกำลังลงไปนอนข้างๆมันมีร้อยชั้นนอนไม่ได้เดี๋ยวสู้มันไม่ได้ก็กัดฟันสู้ทนสร้างสร้างสร้างสร้างมาถึง99ชั้นบางคนจะขาดใจตายมันไม่มีแรงจริงๆแต่ว่าอีกแค่ชั้นเดียวตายไม่ได้ ชั้นตายยังไม่ได้แต่มันไม่มีแรงยังเรียกลูกเรียกหลานมาสร้างต่อกลัวมันไม่ทุกข์เหมือนเราถามว่าสร้างทำไมไม่รู้ก็ถูกสอนไงเพื่ออนาคตอนาคตคือมีมากๆถึงจะมีความสุขแต่ถ้าเราสร้างถึงสิบชั้นเนี่ยถ้าเราพอใจแต่ถ้ายังอยู่บนชั้นสิบนะ วันไหนเมาเหล้าเสียสติตกลงมาสันสิบก็ตายได้เหมือนกันแต่ถ้าเราลงมาอยู่ชั้นล่างเดินไปขัดขาตัวเองอย่างมากก็หัวเข่าแตกไม่ตายแต่ที่มหาศาลคือเรามีส่วนเกินอีกเก้าชั้นเนี่ยให้คนอื่นมาอยู่ด้วยนี่คืออริยศัพพ์พอครูไปอยู่ในป่านั้น นักวิชาการหลายขแขนงสาขาเคยรู้ประวัติพ่อคูเป็นใครนะก็ไปสัมภาษณ์หาข้อมูลว่าเอขาสติหรือเปล่ามาอยู่นี่พ่อคูคิดอย่างไรมาอยู่ในป่านี้บอกไม่ได้คิดถ้าคิดมันก็ไม่กล้ามาไอ้ตรงนั้นสมัยก่อนเป็นเขาเรียกว่าดงคอมมิวนิสต์แต่ตอนนั้นมนเขาเลิกไปได้หละยังเป็นสีชมพูอยู่ ถ้ามันคิดมันคิ ด, ค, ดคิดตามเหตุผลไงแล้วจะไปเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายทำไมใช่ไหมเอาครอบครัวไปอยู่ที่นู้นด้วยมันไม่คิดไงมันข้ามพ้นความกลัวอะไรทั้งหมดแล้วะแล้วเขาบอกว่าพ่อครูได้อะไรอยู่ที่นี่มีเห็นแต่ช่วยช่วยเหลือชุมชนมีแต่เวียงเงินทิ้งทั้งหมดแ่ละพ่อครูได้อะไรก็ได้ให้ไงเขาบอกว่าทาไมต้องให้อยากรู้ใช่ไหม ลองให้ดูสิให้ไม่ได้ไงเพราะมันเจ็บไงนั่นแหละแต่ถ้าให้บ่อยๆเหมือนเราตัดเนื้อตัวเองให้เข้าหมดเลยเนี่ยนะเออจนไม่มีอะไรแล้วเนี่ยใครจะตีให้เราเจ็บได้ไหมนั่นแหละคือทางพ้นทุกข์ทานศีลภาวนาวัตถุทานธรรมทานอาภัยทานศีลคือเกาะป้องกันภัยไม่ให้เราทำความชั่วมากขึ้นไม่ให้มันเปื้อนมากขึ้น เื่แล้วก็มาขัดอีกนะภาวนาก็คือเจริญสมัมมาทิพย์สนาแต่ตอนนี้เราไม่ค่อยเข้าถึงวิปัสนาจริงๆมีแต่วิปัสนึกไปนั่งเพ่งนั่งพิจารณาจินตนาการเอาอย่างมากเป็นแค่จินตมยปัญญามันไม่ใช่ภาวนามายปัญญาวิปัสนาจะเกิดขึ้นจริงๆต้องหยุดการกระทําทั้งหมด หยุดการสั่งการต้องปล่อยไปตามธรรมชาติของจิตเรียกว่าโพชงสติสัมโพชงมันเป็นสติซึ่งมีอยู่แล้วตามธรรมชาติของจิตข้างนอกนี้เรียกว่าที่เราใช้สติข้างนอกเรียกว่าโลกิยาสติโจนก็มีสติโจนก็มีสมาธิไม่งั้นเขาป้นไม่สำเร็จเขาต้องใช้สติสมาธิมากกว่าเราด้วยแต่เขาไม่มีศีลเขาไม่มีปัญญา เขาจึงใช้สติตรงนั้นไปเบียดเบียนไปสร้างกรรมใหม่ไม่ใช่จบที่สติสีนสมาธิปัญญาเห็นไหมไตรสิกขาเครื่องมือในการไปสู่การบรรทุกถามว่าเอาสติไปซ่อนตรงไหนทานสินภาวนาเอาสติไปซ่อนตรงไหนสติไม่ใช่พระเอกแต่สติเป็นเครื่องมือที่สำคัญหนึ่งในแดในการเดินทาง แต่ไม่ใช่เป้าหมายแต่ตอนนี้เป้าหมายเป็นปฏิบัติคือคือไปเจริญสติพวกกูก็ขออนุญาตพูดความจริงไม่มีเจตนาอะไรเลยเหมือนเจริญสติเจริญสมาธิเราเจริญตั้งแต่ไหนเราเกิดมาเด็กๆ เ, เราเดินไม่ได้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็สอนให้เรายืนตั้งไข่ยืนลูกยืนลูกนั่นคือสมาธิเดินมาลูกทีละก้าวทีละก้าวนั่นคือสติแต่ชีวิตเราตอนนี้ต้องวิ่งแล้วไม่ใช่เปช่วงฝึก เมื่อเราเป็นนักมวยเนาะตอนฝึกชกกระสอบเราขยันชกเราก็แข็งแรงระดับหนึ่งแต่กระสอบมันชกเราคืนไม่ได้เราไม่เกิดทักษะพอเราขึ้นเวทีปุ๊บเนี่ยนั่นแหละของจริงคู่ต่อสู้เขาจะบอกอะไรไหมระวังนะฉันจะชกขวาแล้วมันบอกไหมไม่บอกมันชกมาเลยตอนนั้นต้องทํำยังไงตอนนั้นต้องใช้สติสมาธิเราเนี่ยหลบหลีกนี่แหละทําในธรรมธรรมอรมณในนั้นแหละเราเข้าไปเรียนรู้กับตรงนั้น อารมณ์อะไรเกิดขึ้นล่วงหน้าเขาไม่บอกเราเราต้องรู้เท่าทันเขาไม่ใช่ช่วงฝึกนะช่วงใช้สติใช้สมาธินี่จึงจะเรียกว่าโพชมในอาณาปานาสติสูตรเนี่ยพระพุทธองค์เคยตัดไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาณาปานาสติอันบุคคลเจริญทำให้มากแล้ว ย่อมทำสติปฐานทั้งสี่ให้บริบูรณ์คือกายเวทนาจิตธรรมต้องเป็นหนึ่งเดียวในขนาดจิตเดียวแล้วตอนนี้เราฝึกสติฝึกสมาธิมันเป็นบริบูรณ์ไหมไม่อยู่แค่ฐานกายเดินไปเดินมามันเหนื่อยเออก็เหนื่อยเหนื่อื่อยนยนื่อ ย, อยก็อยู่ในฐานเวทนาแล้วตอนนี้ก็ไปนั่งดูจิตดูจิตเอาอะไรไปดูจิตจิตก็คือเราเราก็คือจิตก็ได้แค่ดูก็แค่เจริญสติเหมือนบ้านหลังนี่ชื่อว่าจิตแล้วก็ไปนั่งดูจิต แล้วก็เห็นเงาของบ้านมันเป็นแค่เวทนาเมื่อเราไปส่องหน้าต่างดูดข้างในมันยังเปื้อนเหมือนเก่าไงนั่งดูมันจนตายมันก็ยังเปื้อนเหมือนเก่าเราต้องเปิดประตูบ้านเข้าไปสู่จิตในจิตไปขัดเก่าจิตให้ผ่องใสแล้วก็เรียนรู้กับกร่องปัญญาเราในนั้นด้วยประสบการณ์จริงเราที่บันทึกเป็นสัญญาทั้งฝ่ายบวกฝ่ายลบทั้งฝ่ายกุศลกับอกุศลนั่นคือปัญญา นั่นคือขัดเก่าจิตให้ผ่องใสอันนี้เราอยู่แค่เจริญสติแล้วเราจะไปขัดเก่าได้อย่างไรเห็นไหมไปเข้าฌานหนีอยู่ในห้องคนเดียวเงียบเงียบไม่มีเสียงอะไรเลยสงบสงบพอออกมามันก็วีนอีกเพราะไอ้เชื้อไวรัสที่ทําให้เราไม่สงบมันก็ยังอยู่เพราะเราไม่ได้ขัดเก่าอะไรออกเลยนั่นแหละต้องมเมาออกปลดปล่อยตัวเอง เราต้องเข้าใจคอนเซปต์ตรงนี้ก่อนไม่งั้นเราจะไม่เข้าใจแนวปฏิบัติบางคนถามว่าแนวทางพรอครูเป็นอย่างไรแนวทางพ่ะครูคือไม่มีแนวทางไอที่ไม่มีแนวทางคือแนวทางของเราไม่มีข้อบังคับไม่มีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนถ้าทุกคนเป็นหุ่นยนต์เหมือนกันหมดมันเป็นลัทธินิ่งใจ ต้องคิดเหมือนกันดำเนงคชิดเหมือนกันแต่งชุดเหมือนกันทุกอย่างทำเหมือนกันมันเป็นรัฐทีนิกายมันไม่อิสระนะวิธีพ่อครูเป็นยังไงวิธีพ่อครูไม่มีวิธีไอ้ที่ไม่มีวิธีคือวิธีของเราแต่และคนต้องมีวิธีของตัวเองเพียงแต่ว่าเราจัดระบบระเบียบวินัยนะเราจัดระบบให้บังเออเนาพ่อครูเลือกเสียง จริงๆแล้วรูปรถกลิ่นเสียงสัมผัสอะไรก็ได้อายตนะทั้งห้ามันมารู้อารมณ์ที่ใจพ่อครูลองมาหมดแล้วแต่สาชั่วโมงที่เกิดขึ้นกับพ่อครูเองมันเกิดจากเสียงพ่อครูนั่งหลับตาอยู่เสียงแอร์มันดังไอ้นิสัยไม่ดีของเรากลับได้ประโยชน์นิสัยเราเนี่ยเป็นนักคิดไงได้ยินพวกก็เอามาคิด มองเห็นก็มาคิดวินาทีนั้นนะเสียงแอร์มันดังก็เอามาคิดอีกว่าเอ๊ะเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่ๆแอร์ยี่ห้อนี้ทําไมมันดังจังเลยมันก็เกิดแรงดึงระหว่างหูกับใจทําไมต้องหูกับใจอยายตนะภายในเราเนี่ยมีตาหูจมูกดินกายใจแต่มันแยกเป็นสองส่วนตาหูจมูกดินกายเนี่ยเป็นอยนายตนะที่รับผัสสะข้างนอก ใจเนี่ยเป็นตัวรับอารมณ์ทุกอย่างลงใจหมดฟ้าผ่าได้ยินเสียงตกใจดีใจเสียใจลงใจหมดลิ้มรสลิ้มรสทุกก็ส่งไปในใจชอบไม่ชอบอร่อยไม่อร่อยอยู่ที่ใจหมดนี่คือขบวนการทำงานของวิญญาณหกยกตัวอย่างคุณหมอนหนท่านหนึ่งมาจากมุกดาหาร สเปเชียลไหลทางด้านหูพราะครูบอกคุณหมอมนุษย์เราใช้อวัยวะตรงไหนเนี่ยเป็นตัวได้ยินคุณหมอบอกหูพรากูบอกไม่ใช่คุณหมอก็นั่งงงไม่ใช่ได้ยังไงพราะคูพิสูจน์ยังไงคุณหมอชีวิตนี้เคยไหมนอนหลับสนิทเลยวันนั้นน่ยเหนื่อยมากลูกคุณหมอร้องไห้คุณหมอไม่ได้ยินแกบอกเคย หูคุณหมอก็ยังอยู่ไงไม่ได้ทําลายเลยทําไมไม่ได้ยินไอตัวได้ยินคือวิญญาณหูเรียกว่าโสตะวิญญาณแต่เวลานั้นมันดับมันหลับมันไม่รับกระแสแต่ถ้าเรานอนกึ่งหลับกึ่งตื่นนะเราได้ยินเสียงแต่เราไม่รู้ว่าเสียงอะไรมันต้องส่งไปให้มโนวิญญาณเข้าไปในเว็บไซต์กล่องบันทึกสัญญา ถ้าไอตัวนั้นมันตื่นอยู่นะมันบอกเสียงในแดงมาลองแต่ถ้าเราเป็นฝรั่งเราบอกเสียงมิสเตอร์เรดเราบันทึกความรู้ภาษาที่ต่างกันไอตัวรู้จริงๆมันอยู่ที่ใจคือมโนวิญญาณอยู่ตรงนั้นหัวใจเต้นได้อย่างไรอีกท่านหนึ่งเป็นหมอผ่าตัด พ่อครูถามว่าคุณหมอเคยเห็นหัวใจไม่เข็นสิผ่าตัดพ่อครูถามว่าทำไมหัวใจมันเต้นคุณหมอนั่งอึ้งมันจะเต้นด้วยตัวมันเองไม่ได้นะใบไม้มันขยับเนี่ยมันต้องมีพลังลมเครื่องยนต์เนี่ยมันต้องมีพลังงานจับใช้พลังไฟฟ้าหรือพลังน้ำมันเห็นไ้มทีนี้คุณหมอก็ว่าพิสูจน์อย่างไร สมมติว่าคนนี้ตายใหม่ๆหัวใจไม่เต้นแล้วรีบผ่าตัดเอาหัวใจที่ไม่เต้นแล้วเนี่ยไปให้เปลี่ยนคนอื่นที่เขายังไม่ตายเพราะหัวใจมันไม่แข็งแรงเปลี่ยนไปแล้วทำไมหัวใจไอ้ที่ไม่เต้นมันเต้นขึ้นมาอีกเพราะเขายังมีมโนวิญญาณอยู่คนตายนี่จิตวิญญาณมันออกจากร่างไปแล้ว เหมือนโรงงานเนี่ยเราคัดเอาเอาไฟฟ้าลงเนี่ยมันก็หยุดถ้าเราไม่เข้าใจขบวนการของสดีละเราแล้วเนี่ยเราจะบริหารชีวิตตัวเองไม่ถูกต้องสามชั่วโมงนั้นทำให้พระกูเห็นหมดเลยเนื่องจากว่าบุญเยอะมากที่ไม่รู้เรื่องวิชาการดังศาสนาถ้ารู้นะมันก็พี้ใจไปด้วยเอ้ะมันเกิดอะไรขึ้นอะไรขึ้นเราจะไม่เห็นชัดเจนถ้าเราเห็นอะไรเรามาคิดปุ๊บเนี่ยความคิดทาให้เราแคบ ยกตัวอย่างวันนั่งนี่หลายท่านถ้าพวกคูคิดถึงเรื่องหมอบรรชาท่านเดียวเนี่ยผคูจะโฟกัสตรงนั้นพวกคูจะเห็นหมอบรรชาคนเดียวพวกคูจะพลาดโอกาสในการเห็นทั้งหมดวิปัสนาจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเรายังคิดอยู่ยังมีการกระทำอยู่นะาลุถูกสอนให้เป็นนักคิดไงปริญาตีแค่นี้ ปริญญาโทแค่นี้ปริญญาเอกแค่นี้สเปเชียลไลยิ่งแหลมยิ่งคับแคบยิ่งคมยิ่งป่าบางแต่ต้องไม่ได้เลยอัตรายเยอะมากแต่เราไม่เรียนได้ไหมไม่ได้ยุคนี้เนี่เขาจัดระบบชีวิตเราเป็นแบบนี้ไงทุกคนต้องเรียนเพื่อมาทำงานเพื่อเลี้ยงชีพมันไม่ได้ผิดการศึกษาความรู้อมความรู้เป็นกลาง แต่ถ้าเราไม่มีปัญญาแล้วเนี่ยเราจะท้ายความรู้ตรงนั้นน่ะมาทำร้ายตัวเองมาเบียดเบียนตัวเองและเบียดเบียนคนอื่นอาจารย์พุทธทาสถึงบอกว่าการศึกษาหมาหางด้วนมันไม่ครบองค์จริงๆแล้วเราไม่ต้องค้นคว้าวิจัยใหม่นะเราเกิดมายิ่งเป็นชาวพุทธชาวศาสนาไหนก็ช่างเนี่ยศาสดาทุกศาสดาเนี่ยเขาสอนเรื่องจิตวิญญาณทั้งนั้นแหละ แต่เรากล่าวไหว้บูชาแค่เป็นวัฒนธรรมไปเพณีเฉยๆเราไม่เคยเอาคําสอนของท่านมาวิจัยอย่างชัดเจนแล้วก็มา ป, ปฏิิปฏบัติอย่างจริงจังแต่เราไปเชื่อทุนนิยมเราไปเชื่อวัตถุนิยมเห็นไหมเจ้าลัทธิทุนนิยมเนี่ตอนนี้ใหญ่ที่สุดในโลกก็คืออเมริกาไม่ใช่เขาไม่ดีนะเพราะกูมีเพื่อนอเมริกันหลายคนเป็นคนนิสัยดีมากแต่ความคิดผิดของเขาตั้งโจทย์ให้ชีวิตผิดน่ะทำให้โลกนี้ผิดไปหมดเลย เขาเป็นผู้ชนะสงครามโลกครั้งที่สองเขาตั้งโจทย์โลกทุนนิยมแข่งขันเสรีโดยมีวัตถุเป็นตัวแข่งขันความสุขเกิดจากการบริโภคเจ0ดปดสปีที่ผ่านมาโลกใบนี้เละตุ้มเปะเลยกว่าจะเป็นน้ำมันไม่รู้กี่ล้านปีวันหนึ่งสูงขึ้นมากี่ล้านบาเล่ลมาแลกเป็น GDP เป็นเงินมันก็เป็นหลุมเป็นเป็นโพงบทมันก็ถล่ม ทำลายทรัพยากรของโลกเพื่อเอามาแลกเป็นเงินแล้วตอนนี้ทำไมอเมริกาเป็นหนี้มากที่สุดในโลกไม่ใช่เศรษฐีตัวจริงนะโดยเฉพาะเป็นหนี้แผ่นดินจีนกำลังจะเกิดสงครามล้างหนี้เกิดขึ้นเขามาทางเอเชียเราแล้วถ้าพวกเราติดตามนะแต่บังเอิญเราเจอศัตรูร่วมคือ IS หรือไอไอซิส ไอ้สิทธิเขาไม่ได้เขาไม่ได้โกรธศาสนาเขาไม่ได้โกรธประเทศไหนเขาไม่มีประเทศด้วยแต่เขาไม่ชอบทุนนิยมแข่งขันเสรีไปเบียดเบียนวิถีเขาตอนนี้เนี่เขาจะพร้อมที่จะระเบิดได้ทั่วโลกอยู่ที่ว่าใครจะโดนแจ็คพอร์ตก่อนกันถ้าระเบิดบ่อยๆนี่อะไรมเศรษฐกิจโลกพังหมดเป็นสงครามไร้รูปแบบทุกคนเลยหยุด มามามาป้องกันตรงนี้กันแต่ตรงนี้หายไปแล้วสงครามจ่ออยู่ตอนนี้รออยู่เลยที่บกบกสงครามรังนี้และตอนนี้ภัยธรรมชาติดินน้ำลมไฟนะฝนแรงปุดน้ำท่วมแผ่นดินไหวไฟไหม้ป่าภูเขาไฟนอนหลับมาร้อยปีก็ระเบิดเพราะมันเป็นโพงมันก็แรงขึ้นทุกวัน หนึ่งอาวุธนิวเคลียร์ที่มนุษย์สร้างขึ้นสองภัยธรรมชาติสามโรคภัยไข้เจ็บที่ไม่เคยเกิดมันก็เกิดขึ้นแล้วเพราะโลกนี้มันเปื้อนด้วยสารเคมีนะไม่ว่าอีโบลาอะไรแล้วพวกว่าต่อไปอีดามีแดงมก็มาแล้วมันกำลังจะเกิดขึ้นโดยฝีมือมนุษย์เราเพราะเราตั้งโจทย์ให้ชีวิตผิด ทำลายล้างจนไม่เหลืออะไรละทีนี้เราทำยังไงเราเปลี่ยน่วกไม่ได้เราทำใจไม่ใช่เรื่องเห็นแก่ตัวเป็นเรื่องเฉพาะตัวเราต้องเจียมเนื้อเจียมตัวเราไปฝืนกฎแห่งกรรมใครก็ไม่ได้ผู้เจ้าบอกอัตหอัตโนนาโถตนแลย่อมเป็นที่พึ่งแห่งตนเราจึงต้อง เสียสละเวลาอันมีคุณค่าของเราเนี่ยมาพบกันในครั้งนี้อย่าเพิ่งด่วนสรุปนะไม่มีใครสอนใครคนจีนเขาพูดคำหนึ่งว่าซานหยินถงสิงปีเอียวอู่ซือคือสามคนเดินไปด้วยกันต่างคนต่างเป็นครูบาอาจารย์ซึ่งกันและกันได้ไม่ต้องมีตัวตนไม่ต้องมีอัตราไม่ใช่เก่งวิชานี้ก็ฉันเก่งเลยเนี่ยไม่ใช่คุณก็เก่งวิชานั้นเท่านั้นเอง โดยเฉพาะพ่ะครูมานั่งที่นี่เนี่ยไม่บังอาจใช้สมองโง่ๆ67ปีมานั่งสอนจิตแต่มาทำหน้าที่แบ่งปันประสบการณ์ทั้งทางโลกทางธรรมนะก็คิดว่าภายในห้าคืนหวันของเราที่นี่เนี่ยเราจะได้ร่วมแบ่งปันแลกเปลี่ยนเปิดใจกว้างๆทำตัวเองเป็นนักวิยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่อย่าพึ่งเชื่ออะไรง่ายๆอย่าพึ่งปฏิเสธอะไรง่ายๆ ท่านจงมาดูเถิดปฏิบัติเถิดผู้ใดเห็นธรรมผู้นั่นเห็นเราตถาคตไม่ใช่ผู้ใดจบด็อกเตอร์ผู้นั่นจะเข้าใจเราไม่ได้พูดนะอันนั้นเป็นแค่วิชาการแต่ไม่ใช่ด็อกเตอร์ไม่ดีไม่ได้พูดถึงคนเป็นด็อกเตอร์แต่ความเป็นด็อกเตอร์คือมาตรวัดความรู้สูงสุดใช่ไหมจบปริญญาเอกมาพร้อมกันทางภาษาศาสตร์ออกมาคุยกับไม่รู้ภาษา ความรู้ทุกวันนี้เป็นแบบนั้นไงแต่ทาสานยังไม่เคยทะเลาะ ก, กับลิงเลยนะชาวนาบ้านเราเนี่ยทั้งเมื่อกี้เนี่ยคุณมดก็ขับพ่อครูไปไปไ ป, ไปทางลัดทางลัดเลาะลัดเลา ะ, ล ะ, ละนาะก็เข้าไปในอะไรไม่รู้ก็เห็นที่นาอะไรเยอะแยะเลยชาวนาเนี่ยเขาก็ไม่เคยทะเลาะ ก, กับควายเขาสอนควายไถายนาได้ เพราะไม่ผ่านภาษาจิตสื่อจิตหลวงพ่อชายเองเนี่ยพวกคูเป็นเด็กอุบลแน่นอนก็คงมีหลวงพ่อชาเป็นอาจารย์องค์แรกแต่ตอนนั้นเราไม่มีโอกาสปฏิบัติฟังฟังเทศฟังธรรมท่านบ้างท่านจบป .1 ท่านสอนคนทั้งโลกตอนนี้สาขาวัดหนองประพง์เกือบ3ามรอยสาขาถึงท่านจะจากไปก็ลามไปด้วย เพราะท่านวางหลักการไม่ดีมีทั้งศีลสมาธิปัญญาบางแนวเน้นปัญญาบางแนวเน้นศีลบางแนวเน้นสมาธิมันไม่ครบองแต่บังเอิญเทคนิคที่ท่านทำเนี่ยถ้าหลวงพ่อท่านอยู่แล้วนี่ไม่มีปัญหาท่านจะปดให้เราทีละขั้นเพราะท่านจากไปแล้วก็ไปแป๊กไงไปต่อไปไม่ได้ท่านเคยเตือนว่ามวัวจะถือศีล น, นั่งสมาธิมันจะไปไหน พราะกูเด็กๆพราคกูก็นั่งงงไม่เคยรู้เรื่องหนะ่อยเอ๊ะถือศีลนั่งสมาธิมันก็ดีแล้วทำไมหลวงพ่อบอกมันจะไปไหนถ้าไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีท่านบอกมันไม่ไปไหนก็อยู่ตรงสมาธิไงแล้วตอนนี้ไปไหนตอนนี้บางคนก็ออกไปแต่งงานแล้วไงกระทบวัดป่าหมดไม่ใช่วิธีสอนวัดป่าไม่ดีนะวัดป่าต้องไปอยู่ในป่าไม่ใช่วัดโยม สมัยหลวงพ่อเนี่ยทาไม่ยอมให้สร้างอะไรหรอกต้องป่าจริงๆปีกวิเวกคือเทคนิคของท่านเนี่ยต้องหลบหนีหลีกเลี่ยงการกระทบแต่ตอนนี้เรามายุ่งกับข้างนอกนี่นะ่แล้วมันจะไปไหนล่ะก็ถูกดึงออกไปไงเพราะเทคนิคที่ทำนั้นเน่เครื่องมือตรงนั้นน่ะกำลังสู้กิเลสไม่ได้แต่วันนี้พวกูจะมานำเสนอถ้าเป็นเทคนิคก็เป็นเทคนิคที่อยู่กับชีวิต ผู้ครองเรือนเราต้องมีเร็วต้องแรงสติช้าช้าแบบนั้นเราไปเจริญสติแบบสิกิโลเมตรต่อชั่วโมงก็เอาอยู่ไงแต่ชีวิตรเราออกมามันร้0ยกิโลเมตรต่อชั่วโมงเอาอยู่ไหมไปฝึกสมาธิสติตอนนั่งอยู่นิ่งเงียบแล้วออกมามันวุ่นวายมากแล้วเอาอยู่ไหมนี่แหละเราไม่รู้โลกอย่างแจม่มแจ้งไม่รู้เท่าทันเหตุปัจจัย สีห้าวันนี้เราจะได้ลิ้มรสได้ลองกันเสียงดังก็สงบเงียบก็สงบเคลื่อนไหวก็สงบอยู่เฉยเฉยก็สงบปฏิบัติแล้วต้องนำไปใช้ได้ต้องไปไประพฤติไม่ใช่ปฏิบัติอย่างหนึ่งยกตัวอย่างว่าเออเด็กๆ เ, เ, เข้าค่ายปุ๊บเขาไปฝึกให้เด็กๆวิ่งมาราธอนมาราธอนวิ่งเร็วไม่ได้นะต้องออกลังวิ่งชา้ชาๆใช่ไหมแต่พอวันแข่งปุ๊บเนี่ย เขาจับไปวิ่งร้อยเมตรอย่างเงี้ยมันคนละเรื่องนะอันนี้คือความเข้าใจผิดนะพระพุทธเจ้าเป่งออกมาไม่ได้ผิดเลยแต่เราไปเอาความคิดแบบแยกส่วนเอามาสอนจิตนะเพราะกูก็ขอออกตัวนะว่าไม่มีใครสอนใคร เป็นโอกาสดีที่พวกเราทั้งหมดได้มาร่วมใช้ชีวิตกันช่วงสั้นๆห้าหกวันนี้น่ะมาแลกเปลี่ยนมาทดลองทดสอบนะมีอะไรเราก็คุยกันพกเพราะกูอยู่ที่นี่ไม่ไปไหนนะแล้วก็มีจังหวะช่วงเราปฏิบัติแล้วช่วงว่างพเพราะกูก็ แบ่งปันเป็นช่วงๆแล้วท่านใดที่มีคำเพราะแนวนี้เราไม่เคยเห็นมันเป็นแนวแปลกประหลาดข้อลังเลสงสัยมันจะเยอะนะครับเขียนมานะครับมีสงสัยละเขียนมาเพราะครูมีจังหวะเราต้องรักษาเวลาเราห้าหวันนี้ให้มันเกิดมรรคผลสำหรับชีวิตเรามากที่สุดนะโดยเฉพาะโปรแกรมนี้เนี่ยพ่อครูอยู่กับสิ่งนี้เนี่ยปี เด็กๆนี่มีประโยชน์มากตอนนี้โรงเรียนกรพิทักษ์ที่กรุงเทพนะเขามีนักเรียน 6,000 กว่าครู5 0 0ตอนนี้ปฏิบัติเช้าเย็นแล้วก็พฤติกรรมเด็กพฤติกรรมครูเปลี่ยนกรพิทักษ์นี่เป็นโรงเรียนเอกชนอยู่ฝั่งทนเนี่ยเป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนมากที่สุดในกรุงเทพในแง่วิชาการเขาตอนนี้มาที่สี่ของประเทศเพราะที่3ามนั้นคือโรงเรียนรัฐ โรงเรียนสวนกุหลาบเรียนบูดมและอันหนึ่งพ่อกูจําชื่อไม่ได้เป็นโรงเรียนที่เด็กทั่วประเทศนี่ไปแย่งกันเข้าเขาก็กันกองไอ้ที่มันเก่งที่สุดไปนั่นไม่ต้องสอนเลยนะแต่กรพิทักษ์นี่ของดรก้อยเนี่ยนะเขาเอาขบวนการตรงนี้เข้าไปใช้เนี่ยนะโรงเรียนเขาพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเด็กที่ซึมเศร้าตื่นเช้ามางงไงนิงกรุงเทพต้องตื่นแต่เช้ารถมันติด ชั่วโมงแรกเรียนไม่รู้เรื่องตื่นเช้ามาแค่เช็คสิบห้านาทีเนี่ยเด็กตื่นโลกซึมเศร้าหายไปสติตื่นรู้เรียนหนังสือดีกว่าเก่าเด็กมีความสุขไม่เครียดแล้วเด็กๆ เ, เนี่กลับไปบ้านก็พาคุณพ่อคุณแม่ปฏิบัตินะเขามารายงานนะปอสองนะแม่หนูปวดหัว เห็นหนูเต้นอยู่แม่หนูว่าทำอะไรหนูก็ชวนแม่เต้นแม่ก็เต้นไปเต้นมาแม่หายปวดหัวแล้วตอนนี้คุณพ่อคุณแม่เต้นกับหนูทุกวันนิ่งอยู่กับการเคลื่อนไหวไม่ใช่นิ่งอยู่เฉยๆมันต่อไมยนิ่งอยู่กับการเคลื่อนไหวชีวิตเราต้องเคลื่อนไหวไม่ใช่ไปนั่งกดทับมันไว้เหมือนหินทับหญ้ายกหินออกมาเนี่ยหญ้ามันก็ขึ้นอีกมันไม่ใช่ทางพ้นทุก นะอันนี้สำคัญมากนะแล้วก็ถ้ามีอันตรายแม้แต่น้อยเนี่ยจิตพวกครูคงไม่โง่ที่จะมานาเสนอให้พวกเราต้องเสียเวลาชีวิตมาเสี่ยงทำไมจงเชื่อมั่นในจิตเราจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวเขาไม่มีเหตุผละจะต้องทำร้ายเราแน่นอนเขามีแต่รักษาร่างกายนี้เขาต้องอาศัยร่างกายนี้เป็นเครื่องมือเดินทาง ไม่มีทางเขาจะทำลายแต่สิ่งแปลกใหม่เนี่ยแน่นอนถ้าไม่มีอะไรใหม่เนี่ยชีวิตเราก็เหมือนเก่ามันต้องใหม่นะแล้วต้องยอมรับความเปลี่ยนแปลงใหม่ชีวิตเราถึงจะเปลี่ยนแปลงใหม่นะเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่ฝึกสติสุขสมาธิอย่างเดียวเนี่ย โปรแกรมเราเรียกว่ากายฟิตจิตเฟิร์มอารมณ์ดีชีวิตมีสุขเมื่อกี้พ่อครูบอกแล้วไงชีวิตเราประกอบด้วยสามอย่างกายอารมณ์จิตนะกายฟิตจิตเฟิร์มอารมณ์ดีชีวิตมีสุขแล้วไม่ใช่ต้องรวยก่อนค่อยสุขนะอย่าอดทนทำงานเพื่อความสุขจงทำตนให้มีสุขเมื่อได้ทำงานเรื่องอะไรจะไปให้มันสำเร็จก่อนค่อยสุขนั้นคนโง่นะ เราต้องมีความพึงพอใจในสิ่งที่เราทํามีความสุขทุกวันส่วนผลของงานเป็นแค่ผลพลอยได้ถ้าเราเข้าใจชีวิตแล้วไม่มีเหตุผลต้องทําให้ตัวเองทุกนะไม่แน่นะสี่ห้าวันเนี่ยถือว่ามากไม่เหมือนฝึกอย่างอื่นนะสามสี 3, 40, 40่ิปีบางทีไม่ไปไหนสี่ห้าวันนี้เราอาจจะเห็นอะไรแปลก บางคน15บนาทีดวงตาเห็นทำบรรู้ธรรมแล้วมีอย่าดูถูกตัวเองไม่เคยเข้าวัดเลยไม่เคยปฏิบัตินั่นแหลยิ่งดีไอ้ที่ปฏิบัติบ้างไม่บ้างก็ไปตกลงความรู้นั่นแหละมันจะแย้งกันอยู่เพราะครูขอนะใครเคยปฏิบัตินี่ไม่ใช่ทิ้งเหมือนเราเป็นนักกีฬาฟุตบอล บางเออเราสนใจตะก้อมาเตะตะก้อให้วางความเคยชินฟุตบอลก่อนอย่างมาเปรียบเทียบเดี๋ยวมันจะสับสนตั้งมั่นกับการฝึกตะก้อลองเต็มที่ก่อนแล้วเราค่อยเลือกเอาเองว่าเอออะไรที่มันเหมาะกับเราแต่ถ้าทำไปด้วย เ, เปรียบเทียบไปด้วยนะ่ะเหมือนเราชักเขย่นะไม่มีพลังพอมันก็เริ่มเริ่มเอออะไรเวี่ยงอะไรหมุนนะ นะสงสัยก่อนแล้วนะพอมนันเริ่มหมุนนะ่ะเอ๊ะทำไมมันเป็นแห บ, บนพอเอ๊ะปุ๊บมันจะหยุดเราหลอกคนอื่นได้เราหลอกจิตเราไม่ได้นะต้องโทัทรลลีตั้งมั่นศรัทธาเทให้มันจิตร้อยเปอร์เซนต์สมองมันยังคิดอยู่ในปอยมันคิดไปอย่าไปคิดตามมันเรามีหน้าที่กำลังทำในสิ่งนั้น สมาธิต้องเป็นหนึ่งเดียวถ้าทำด้วยคิดด้วยมันเป็นสองมันจะไม่มีกำลังนะคนทำได้ช้าหรือเร็วนั่นมันอยู่ที่ใครศรัทธากับสิ่งที่ตัวเองทามากกว่ากันถ้าศรัทธาน้อยสงสัยเยอะกว่าไอ้กำลังสงสัยมันจะดึงจิตไว้ไม่อิสระไม่มีทริคอะไรไม่มีอะไรทั้งนั้นนะ่ะมันคือตรงไปตรงมานะแล้วก็ พ่อครูเน้นเรื่องใช้เสียงนะได้ยินเสียงที่หูมารู้ที่ใจตรงหัวใจมันเต้นเนี่ยไม่ใช่จินตนาการเอานะเอาความรู้สึกวิ่งไปอย่าไปนั่งดูมันถ้าดูปุ๊บยังมีการเพ่งดูอยู่มีการกระทําเกิดขึ้นเอาความรู้สึกเข้าๆ ว, วิ่งไปเหมือนเด็กๆนะวิ่งไปวิ่งมาไม่ต้องไปดูว่ามันหมุนหรือเปล่าก็ช่างละเข้าๆแบบนั้นเดี๋ยวมันสปาร์แค่ทีเดียวน่ยเครื่องติด พึ่งเหมือนรถยนต์เราจอดไว้นานๆใช่ไหมสตาร์ทไม่ติดเราต้องเข็นนะเวลาเข็นนี่ต้องใช้กายกับจิตรวมพลังกันทั้งหมดนี่เข็นมันเลยเมื่อติดปึง่งเห็นไหมเราขึ้นไปนั่งปุ๊บเปิดแอร์ได้เปิดวิทยุได้ใส่เกียร์ปุ๊บดาบอีกเพราะอะไรเพราะแรงเครื่องไม่พอต้องเร่งสปีดนะเร่งเร่งเครื่องใส่เกียร์ไปเลยขอแค่ครั้งเดียวถ้าเราเปิดบ้าน เข้าไปในจิตได้แล้วต่อไปเราเข้าออกเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ต้องนับหนึ่งใหม่ว่างเรกาก็เข้าไปเมื่อเราเข้าไปในเว็บไซต์ไปเอาภูมิปัญญาเก่าเราเนี่ยมาใช้กับปัจจุบันเด็กจะเป็นอัจฉริยะร่างกายเขาเป็นแค่เด็กแต่จิตเขามีอายุหลายล้านชาตินั่นคือปัญญาที่ฝรั่งเรียก ว, ว่าว i s ต o m แต่ตอนนี้เราส่งเด็กๆไปเรียนหนังสือเรียนหนังสือ เรียนหนังสือหนังสือซึ่งคนอื่นเขียนเป็นความรู้คนอื่นทั้งนั้นลูกเราเป็นแค่นักเรียนแบบไม่ใช่นักเรียนรู้เด็กเข้าอินเทอร์เน็ตอุย้ยรู้มากไปท่องโลกเลยคุณแม่พูดคํานึงเถียงไป10ิบรำบ อ, อกคุณแม่เต่าล้านปีเข้าอินเทอร์เน็ตก็ไม่เป็นเขาไปหลงว่าเขารู้จริงๆแล้วเขาไม่รู้อะไรเลยเด็กเขาไปก๊อปปี้คนอื่นทั้งนั้นแหละเป็นความรู้คนอื่นเลย เข้าไปในจิตตัวเองลูกเขาไปในจิตตัวเองเข้าไปในเว็บไซต์ตัวเองนั่นคือปัญญาของเราจริงๆเป็นประสบการณ์จริงๆของเราหลายพบหลายชาติเอามาใช้ปัจจุบันนี้สตีฟจ็อบก็ใช้แบบนี้ลหละสตีฟจ็อบไปเรียนมหาวิทยาลัยเดินออกบอกไร้สาระเพราะเขามีปัญญาเขาถึงสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่สำหรับมนุษยชาติวันที่สตีฟจ็อบอายุห้าบกปีที่เสียชีวิตนั้นเขาร้องออกมาว้าว เขาเห็นแสงแล้วเพราะเขาฝึกเซนฝึกจิตตั้งแต่เด็กๆ เ, เขามีปัญญาเขาก็เอาปัญญานั่นมาใช้กับชีวิตปัจจุบันแต่ถ้าเราไปเรียนความรู้ของคนอื่นเราเก่งที่สุดขยันเราก็เท่ากับเจ้าของความรู้เท่ากท่านนั่นเองเป็นแค่นักเรียนแบบไม่ใช่นักเรียนรู้แต่เราไม่เรียนก็ไม่ได้ยุคนี้เขาวางระบบชีวิตเป็นอย่างนี้ไงแต่ไม่พอเด็กเรียนห็นไม่พอต้อง เพิ่มปัญญาให้เขาเขาจะฉลาดเอาปัญญาตอนนั้นมาใช้ความรู้เขาในสร้างประโยชน์ตัวเองกับคนอื่นจะไม่ใช้ปัญญาเขาเนี่ไปทำบาปแล้วก็เบียดเบียนตัวเองนี่แหละคือการศึกษาหมาหางด้วนนะก่อนพิทัก์ด็อกเตอร์ก้อยขอพระคูอีกเทอมหนึ่งตอนนี้เด็กหมดโรงเรียนครูหมดโรงเรียนเกือบเจ0 0คนเนี่ยปฏิบัติทุกวันอีกเทอมหนึ่งเขาจะเชิญผู้ปกครองมาปฏิบัติ ก็คงเป็นหมื่นกว่าคนแล้วจากนั้น mm hmm. เราก็จะเจราจากับกระทรวงศึกษา mm hmm. เด็กไทยทุกคนต้องเอาสิ่งนี้ไปใช้แล้วทุกโรงเรียนไม่ต้องตั้งงบประมาณใหม่ไม่ต้องใช้เทคโนโลยีทุกแห่งมีโรงยิมมีเครื่องเสียงอย่างเดียวนี่เดี๋ยวเราแจกซีดีแผ่นเดียวทุกคนทําได้หมดบ้านเมืองจะดีขึ้นทันที mm hmm. ธรรมะคือธรรมชาติ คือธรรมดาธรรมดาคือง่ายความง่ายคือถูกต้องนะแต่ชีวิตเราเนี่มักง่ายไม่ใช่ง่ายตามใจตัวเองเนี่ยมักง่ายได้ยากนะเราจะได้เรียนรู้ด้วยกันนะสี่ห้าวันนี้เนี่ยสนุกเพลิดเพลินไม่เครียดเราเครียดอยู่แล้วเรามาปฏิบัติเพื่อ ม, มันหายเครียดไม่ใช่ไปเพิ่มความเครียดไปกดเองตัวเองเลยเนี่ยไม่ใช่ธรรมะ เป็นรูปแบบอุบายวิธีอย่างหนึ่งเท่านั้นเองโอเคนะเมื่อกี้เขาส่งชัญญาณแล้วก็วันนี้พระคูก็ขอเปิดคอดนี้นะเราจะได้ใช้ชีวิตร่วมกันแล้วก็พรุ่งนี้เช้า เ, เมื่อกี้เขาบอกว่าตื่นกี่โมงก็ได้หกโมงมาพบกันที่นี่นะ ที่นี่ไม่บอกคุณหมอว่าไม่ต้องเคร่งเครียดให้ทุกคนปกติแต่ละข้อเนี่ยตื่นตีสีกันมาทำวัดเช้าอะไรบอกว่าอันนี้ขอเถอะเพราะแนวเรานี่ใช้พลังงานเยอะนะแล้วก็คุณหมอบอกว่าเอาสินแปดแต่ไม่เคร่งไม่เคร่งนะใครทำได้ก็อนุโมทนาสาธุใครทำไม่ได้ก็ช่วยเหลือตัวเองนะไม่ไม่ซีเรียสเรื่องนั้นมันเป็นแค่รูปแบบเราต้องการผลนะก็ คืนนี้ก็ขอให้ทุกท่านไปพักผ่อนแล้วก็พรุ่งนี้เช้าพบกันที่นี่นะครับ